ในโรคไม่ต้องว่าเรื่องโรคของสัตว์เราพูดเฉพาะโรคมนุษย์เราทั่วโลกสมมติแนี้มองไปที่ไหนมีแต่คนเป็นโรคชนิดต่างๆกันเต็มไปหมด ส่วนยาแม่ขนาดเดียวหมอแม่คนเดียวที่จะรักษานำมารักษาและตรวจรักษาโรคไม่มีมนุษย์ทั้งโลกนั้นจะฝากความหมายฝากความหวังฝากชีวิตจิตใจฝากความพึ่งเป็นพึ่งตายไว้กับใคร ก็เหมือนกับคนตกหตรือจมอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรก็มาพอจะเป็นที่เกาะที่พึ่งพิงก็มีแต่จมท่าเดียวเท่านั้นคอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงในเมื่อเวลาหมดกำลังแล้วเท่านั้นคนเป็นโรคทั่วทั้งแผ่นดิน ไม่ว่าโรคประเภทใดๆเต็มไปหมดในบุคคล <c oughs> ถามหาหมอก็ไม่รู้ถามหายามารักษาก็ไม่รู้กระทั่งยาอย่าว่าแต่ยาไม่มีไม่รู้จนกระทั่งยาอย่าว่าแต่หมอไม่มีไม่รู้จนกระทั่งว่าหมอเราลองวาดภาพดูที่ว่า โลกมนุษย์เาีามีค่ามีความหมายอะไรบ้างไม่มีเลยรอแต่วันตายจากการจากความทุกข์ความทรมานจนเติมที่เต็มฐานถึงกับขั้นผลไม่ได้แล้วรอเพียงลมหายใจสิ้นสุดลมเท่านั้นการอยู่ก็อยู่ด้วยกัน ทรามาณด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะอยู่ได้เป็นความสงบสุขในทางร่างกายเลยมีแต่โรคภัยะนิดต่างๆเหยียบย่ำทํำลายหาหยุดหายาแม้นิดหนึ่งที่จะมาเยียวยารักษาหาหมอแม้คนหนึ่งที่จะมาถามและมาตรวจตัวการเป็นอย่างไรบ้างไม่มีเลยอมืมนุษย์ทั่วโลกก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ความหมายกลายเป็นเรื่อง กองเพลิงประดุจกันหมดกองเพลิงมีความหมายอะไรบ้างไม่มีความหมายอันใดเลยเป็นปืนเป็นไปแต่จาตัวอยู่ตลอดเวลาโรคกับกายมนุษย์กับใจมนุษย์ทําไมจะไม่เป็นปืนเป็นไฟเถารจนบุบตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสิ้นลมหายใจโลกนี้มีความหมายแล้วหรือเมื่อเป็นเท่า น, นั้น โลกที่พออยู่ได้หรือโลกมนุษย์เราที่พออยู่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องมียามีหมอรักษาแม้จะไม่ใช่ยาที่ทันเหตุทันการหมอทันสมัยก็ตามแต่ก็ยังมียาเครื่องบรรเทาอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เกาะส้งใจให้รับความอบอุ่นว่าได้รับทานยา คนไขนน้นั้นก็ยังมีหวังอยู่บ้างเพราะยามีทั้งบ้านนอกมีทั้งในเมืองตามบ้านนอกเขาก็มีเช่นอย่างยาแผนโบราณนี่ก็เคยใช้รักษาโรคมาแต่การไหนไหนยาแผนปัจจุบันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อภายหลังแต่รวมแล้วก็เรียกว่ายาเพื่อเป็นเครื่องเยวยารักษาโรคและเป็นที่ยึดเป็นที่อุ่นของคนไข้ที่จะ หวังได้หายจากโรคจากภายัยเพราะยาและหมอนั้นๆ น, น, นี่ถ้าโรคมีมียามีหมอรักษาก็ยังมีความหวังและมีหวังหายได้ที่นี่โรคภายในจิตใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดทุกรูป ท, ทุกนามกระทั่งถึงสัตว์ใรญ่ฉาน โรคอันนี้ไม่เว้นแต่ละลายละลายที่จะไม่มีเมื่อปรากฏตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาก็เท่ากับปรากฏโรคนั้นขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะโรคชนิดนี้พาให้สัตว์เกิดโรคชนิดนี้พาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานโรคอันนี้พาให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตาย เรียนว่าอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะโรคประเพณี้ทีนี้เมื่อไม่มีศาสนาเลยเป็นอย่างไรบ้างนัโรคเต็มหัวใจของสัตว์แต่ไม่มียารักษาไม่มีหมอตรวจเลยเช่นนี้เป็นอย่างไรนี่ท่านเรียกว่าโรคสูนยา ก, กัดหาศาสนาไม่มีเลย เมื่อเป็นฉนั้นต้องเดือดร้อนที่สุดเพราะการเยียวยารักษาด้วยยาไม่มีหมอคอยตรวจคอยดูแลรักษาไม่มีแต่ส่วนของสแสลงนั้นเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกกับโรคประเภทที่เหลดอัญหาอาชาว่าเหล่านี้จะผลักใสเข้าสู่แต่ของสแสลงอย่างเดียว มันไม่มีทางที่ว่าจะผลักไสเข้าสู่ยุกสู่ยาสู่หมอคืออัตธรรมเพราะพิเรศกับธรรมเป็นค่าศึกกันมาแต่การไห น, ไหนจะพิเรศจะมีความยินดีให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้าอานาจของตนได้หลุดลอยออกไปจากอานาจเพื่อยุกเพื่อยาเพื่อศาสนาคืออัตธรรมอย่างไรได้ด้วยเหตุนี้ การประพฤติปฏิบัติแม้เราเกิดในถ้ากลางแห่งพุทธศาสนาถึงกับได้มาเป็นนักบวชและปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามะกะการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายที่เป็นคุณงามความดีจึงต้องมีความลำบากฝืนใจอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยต้องฝืนอยู่จนได้เพราะความฝืนที่จะทําให้ สิ่งที่จะทำให้ฝืนมันขัดขวางอยู่ภายในใจต้องแหวกต้องว่าต้องบุกเบิกสิ่งที่กิดขวางนั้นออกเพื่อการดำเนินในความดีทั้งหลายได้มากน้อยตามกําลังความสามารถของตนหากมีแต่ทำล้ว น, นแล้วจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องขีดขวาง ไม่มีอะไรมาทําให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอท่อแท้เหลวไหลภายในจิตใจแม้แต่น้อยเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อโรคอันสาคัญสาคัญที่คอยกัดจินหัวใจทั้งๆที่เกิดอยู่ที่ที่หัวใจก็กัดจายจินใจอยู่นั้นตลอดเวลาเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้กร่อนไปจนกระทั่ง เป็นเศษเล็กและกลายเป็นดินไปตามธรรมชาติของหมาดไดโดยไม่ต้องสงสยัยโรคชดินนี้เกิดขึ้นภายในจิตมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทําการจีดการขวางรวงใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้การฝ่าฟื้นการอดทนต่อการชําระล้างสิ่งเหล่านี้ จึงต้องเป็นความลำบากเพราะกิเลสพาให้ลำบากลําบนทั้งหมดไม่ใช่ธรรมพาให้ลำบากหากใจนั้นได้เป็นธรรมรุ่นๆแล้วเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ร้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสเพราะจิตที่บริสุทธิ์รุ่นแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏเลยนั่นะทั้งๆทัที่จิตดวงนี้แต่ก่อนก็อยู่ในท่ามกลางแห่งมรสุม ของฝากของน้ําดังที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ไม่มีคําว่าสะดวกสบายธรรมชาติอันนี้มีมากอย่างไรภายในจิตใจ ย, ยิ่งทําให้จิตใจนั้นยกตัวไม่ขึ้นจะเข้าวเข้าสู่ความเพียรก็เหมือนจะล้มจะตายไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะภาวนาจะริึกอัดลึกทาเป็นพุโทโธธรรมโมสังข์โห เหมือนกับยกพุงทั้งท่อนหลังก็จะหักเอวก็จะขาด อ, าอาวัยวะทุกส่วนจะสุดลอยไปหมดเพราะความหนักก็ธรรมชาตินี้แหละพาให้หนักไม่ใช่ธรรมชาติอะไรยาวอยากเข้าใจว่าทำพาให้หนักทำแท้ไม่มีอะไรหนักเมื่อจิตเก้าผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้น เราจะไม่ปรากฏเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายใน จ, จิตใจความลำบากความยากความคิดอินนาราใจอะไรไม่มีเหลือเลยยังทราบได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวภัยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอทุกๆ ท, ท่านพึงจำไว้ให้ลึกอย่างฝังใจว่าการลำบากลำบนเหล่านี้ อยู่ในระหว่างแห่งการแแบบไหว้ของตนที่จะพ้นจากความจากน้ําจากพิษจากภัยที่เรียกป h า r m a ภัยมหันตทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยนี้จะยากลําบากเพียงไรก็ยากเพื่อการตะเกียบตะการให้เล็ดทอดออกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องจีบเครื่องขวางผ่วงใจให้รับความลําบากดําบลเลยเป็นธรรมชาติที่เวิร์กวาง ไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวไม่มีอะไรมาบีบบังคับเหมือนตัง้งแต่สิ่งเหลนี้มีอยู่มากน้อยเลยมีอยู่มากกดมาก่วงมากทำความทุกข์ความทรมานแก่แ ก, ก่จิตใจมากมีขนาดไหนกดทวงขนาดกดทวงขนาดตามกำลังของผลมีน้อยก็กดทวงน้อยไม่มีเสียเลยเพราะการชำระสาสางเพราะการฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนทิพหายแบบปลืงไปหมด ไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ภาจิตใจเลยจะไม่มีอะไรที่กล่าวมาทั้งวั น, นี้ติดแนบอยู่ในจิตใจแม้นิดหนึ่งจะเหลือตั้งแต่ความเบ้องว้างแต่ว่าอิจระก็อิจระเลยธรรมดาคือเลยสมมุติสาหรับเบิ่งว้างก็เบ้่งว้างเลยสมมุติเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่าง จึงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้อย่างถึงใจว่าเป็นโทษเป็นมหันตทุกขมหันตโทษได้อย่างถึงใจดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศรำสั่งสอนจัดโลกทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระไทยจริงๆเพราะพระองค์ทรงประสบพบเห็นมามากต่อมากแล้วทั้งโทษทั้งมหันตโทษตโทษมหันตทุก์แต่ละภพระชาต ที่ธรรมชาติอันนี้สร้างขึ้นมาให้รับความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงทราบอย่างพระจับพระไทยเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถ่องมองทะลุไปหนดไปหม ด, หมดทั้งสาเหตุให้เกิดโทษทั้งตัวโทษตัวภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคประเภทหรือรังโรคประเภทฝังใจโรคประเภทเหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์นี้พระองค์ทรงทราบได้พระจับ เจิงเนะีทรงแนะนําสั่งสอนสั่นโลกด้วยความถึงพระไถ่เต็มไปด้วยพระเมตตารุวนดวนคําว่าสวขคาตธรรมเจิงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายโทษไม่ว่าโทษประเภทใดจนถึงขั้นมหามหาหันตโทษมหาหันตทุกข์ก็ทรงทราบโดยตลอดผัวถึงคําว่าสุขกระจงกระช่งถึงบรมมาสุข ก็ทรงประจักษ์พระไทยอย่างตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นการแนะนําสั่งสอนทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดเต็มไปด้วยความถูกต้องแม่นยำเต็มไปด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆแก่สัตว์โลกถึงใจสัตว์โลกผู้ต้องการอัดการทำผู้กําลังตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากภัยอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ ด้วยเหตุนี้พวกอุคติตันยูวิปปิตันยูซึ่งเป็นผู้เห็นไัยอยู่แล้วเป็นหัวใจแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีอุบายไม่มีผู้มาแนะนำสั่งสอนเพียงได้รับพระาวาดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยกขึ้นเพียงย่อๆท่านเหล่านี้ก็ฟว้าทันทีเลยยึดเกาะติดสลัดตนออกจากทุกข โดยสิ้นเชิงในเวลาไม่เนิ่นนานเลยเพราะกำลังของใจที่เคยเห็นโทษมามากต่อมากแล้วและเห็นคุณค่าแห่งความหุดพ้นอย่างประจักษ์ใจจึงมีกำลังรวมกันเข้าเป็นความสลัดปัดทิ้งอย่างถึงใจและพ้นไปได้ถึงบร ม, มสุขนี่พวกกุคติกันอยู่วิปฏิกันอยู่ท่าเป็นอย่างนี้จริง แล้วก็รับตอบรับ ก, กันกับพระไทยของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อสรรพโลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบเยบทียบได้แล้วเนี่ยคาว่าสวัสดิธรรมจรงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทําให้ซึ้งถึงใจเข้ามากน้อยอย่างไราศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกบททุกบาทจะซึ้งซึ้งทุกบททุกบาทไ ป, ไปเลยจนกระทั่งใจให้ถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์พิมุติพนิพานทั้งเป็น รสสดร้อนๆนี้ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าบทได้บาทใดจะมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่าอย่างถึงใจถึงใจกราบไหวอย่างสนิทไม่มีจิตขณะใดที่จะมาลบล้างที่จะมาแข็งกระด้างกระเดื่องต่อสาสนาธรรมของพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นกับสาสนาธรรมที่ แสดงบอกทั้งเหตุทั้งผลนั้นกลมกลมกืนกันกับใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันนี่แหละสาวงทั้งหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่ออย่างนั้นยอมรับพระพุทธเจ้ า, าเป็นบรมครูยอมรับอย่างถึงใจด้วยความจริงจนส่วนภายในใจของท่านเราอยากให้มูเพื่อนที่มาศึกษาอบรมนี้ ได้รู้ได้เห็นธรรมของจริงซึ่งประกาศกังวลอยู่ภายในวงล้อมของกิเลสทั้งหลายคือภายในจิตใจของเราเองเวลานี้กิเลสประเภทต่างๆมัน่นปิดกั้นศาสนธรรมที่ประกาศกังวลความจริงอยู่ภายในใจนั้นให้ไม่มีกระแสเสียงออกมาได้พอจะรู้ยิบยิบยับๆว่ากิเลสเป็นภยัยนอกจากเสียงของกิเลสกังวลท่วมท้น เสียงอัดเสียงทำนั้นไปเสียว่าน่ารักใคร่น่าชอบใจน่าเปลียดน่าโกรธหรือเปลียดหรือโกรธหรืรักหรือรักหรือชังหรือโลกหรือหลงมีตั้งแต่เสียงของกิเลสเต็มหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสียงอัดเสียงทำที่จะเป็นคู่แข่งแย้งกันบ้างเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องจมอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะไม่มีกระแสเสียงธรรมเข้ายุ่งแย่งแข่งดีกันกับเสียงของกิเลส ที่เราเกิดในถํากลางแห่งพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังแล้วเสียงธรรมโคบแทรกเข้าไปบ้างแล้วแม้จะเป็นเสียงธรรมด้วยความจดจําก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อความจริงคือภาคปฏิบัติเราให้ฟังอย่างถึงใจฟังธรรมะปฏิบัติอย่างถึงใจยิ่งเด็กทาลายเราทรมานเรานี่ทำลายอย่างถึงใจสะทานหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวยิ่งกว่าที่เด็กทําความสะทกสะเทือน หรือทําความลาบากทรมานแกเราจนถึงขั้นมหาตมหาหันตทุกภาในาจิตใจเหมือนเป็นไฟทั้งกอง น, นี่โทษของกิเลสถึงใจขนาดนั้นทําไมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำเป็นเครื่องที่จะหรือถอนกิเลสทําลายกิเลสให้สะเทือนสะท้านโล ก, กาธกาตุฝันไหวได้เช่นเดียวกันกับกิเลสทำสัตว์โลกทําไมเราจะไม่สามารถนำธรรมที่เป็นเครื่องป ร, ราบกิเลสให้ราบคาบสะเทือนระทานทั้งโลก ในโลกทั้งสามนี่ให้หมดไปจากใจได้เล่าเอาให้จริง น, นะปฏิบัติอืนี่ถ้าเอาว่าพูดถึงเรื่องกิเลสเป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลเหมือนเราเราท่านท่านนี้เราถือเป็นกิเลสนี่เป็นคู่เดือดคู่แค้นอย่างเป็นถึงเป็นถึ ง, ถ ง, ถงตายไม่มีขณะใดเลยที่จะรอกับกิเลสว่าไม่ต่อกรกันให้พินาศในขนาะนั้นกิเลสไม่พินาศให้เราพินาศพอเจอกันพับจะโดดจากกันถามกันทีเลย แม้รับทานอยู่ก็าตามหรือทายอุจระจิปัสสวะกรรมอยู่ก็าตามเมื่อมองเห็นกิเลสแล้วลืมไปหมดอันนี้เพราะความเครียดแค้นอย่างไรก็ต้องเอากันให้พังทันทีนี่เป็นข้อเทียบเทียมทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะนั้นเป็นตัวมหาภายัยเป็นตัวมหาภัยให้มหันตทุกข์แก่เราไม่ใช่ให้สารกุลอันใดเลย แต่เราพอที่จะได้ยกได้ยอด่อได้กราบไหว้ชนะเสรวน ม, มันเป็นค่าศึกต่อความสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่เป็นค่าศึกยิ่งกว่ากิเลสประเภทต่างๆเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อเราเมื่อเจอกันเข้าทำไมจะไม่เป็นเช่นนั้นคนเราเมื่อเกิดความเพียรแฉนจนถึงใจแล้วไม่มีเว้นอฆ่าได้ทิพย์หายใบพวองอันนี้ ก็เช่นเดียวกันเราผูกเป็นประโยคผูกเป็นปุกะลาพิฐานขึ้นมาระหว่างกิเลศกับธรรมเป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโกทางคัตวาสุขขังเสติน่นาความโกรธไปแล้วอยู่เป็นสุดก็โทสังคัตวาสุขขังเสติอราคังคัตวาสุขขังเสติมันเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงสุข ข, ขัตวาสุขขังเสติเหมือนกันหมด ข้าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอันเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วเป็นความสุข ค, คําว่าข่าท่านแยกแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นปุคลาธิฐานเหมือนกันข่านะ <c oughs> เพราะอันนี้เป็นตัวภัยอย่างยิ่งในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราแต่เพ่งกรอมมันนั่นที่มันสําคัญมากจึงได้แนะแแนำเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมา แม่เราจะพยายามบำเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็แม่พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแจงมาอสู่เรารับทานจะอีกสู่เรากินซะอีกเลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองอถูกกิเลสต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ในเล้าไก่เจ้าของนั่นแหละอืบอกเข้าไปขโมยหาขโมยไก่มาให้กินเขา โอ ด, ดลงไปขโมยเอาไก่ในเล้าเจ้าของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ า, ากินต้มไก่ของตัวเองยังคิดเพลินแต่ว่าเขาไปหักขโมยจากบ้านไหนมามาให้รับทานยังกินเพลินอยู่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนการพิเรฒมันเอาศรัทธาเอาวิริยะเอาสติธรรมปัญญาธรรมอุสาหาธรรมขันติธรรมที่จะปราบมัน ไปเป็นอ า, อาหารต้มแกงมาให้เรากินซะอีกเรายังไม่รู้ว่าที่เหล็กมาฟ้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพลินอร่ อ, รอยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตนอย่างเพลินโดยไม่รู้เลยว่าที่เหล็มันเอาไปต้มเอาของเจ้าของนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาตับเอาไตไข่ปูงของเรา เอาหมักหัวใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นล่ะพี่เล็กแหลมคมไหมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไหมถ้าเราอยากจะทราบแล้วคําที่กล่าวเดี๋ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกๆุกท่านนะผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะ ก, กังวานขึ้นพันในใจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตสาห์ปฏิบัติตามคําที่ผมเนะี่ยผมบอกอยูเวลานี้ พร้อมกับการปฏิบัติให้ถึงใจแล้วท่านตั้งหลายจะได้ปรากฏทำบทนี้ประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นความจริงสดสดร้อนร้อนขึ้นที่ใจของเราเพราะเห็นโทษของกิเลสเห็นขนาดนั้นเห็นความแหลมคมของกิเลสเห็นขนาดนั้นด้วยสติปัญญาของเราซึ่งเหนือกิเลสประเภทนั้นถ้ายังไม่เหนือยังไม่เห็นเมื่อเหนือแล้วต้องเห็นต้องรู้ต้องฆ่ากันให้แหลก พินาศตะปโลไม่มีอะไรเหลือนี่แหละสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่นำโทษของกิเลสเอาโทษของกิเลสมาแผ่กระจายให้โลกทั้งหลายได้เห็นผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือพบคือชาติเกิดแก่เจ็บตายจะรับความทุกข์ความลำบากนี่เป็นผลของมันอย่างยำย่าเห็นได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้นพระองค์ก็นำออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเจนด้วยกันนี่เพราะ พระสติปัญญาของพระองค์สามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วทิเหลดประเภทใดๆจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามถ้าพระสติปัญญาของพระองค์ยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันทั่นแหลกที่เหลดให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเวลานี้ นับว่าเรามีอำนาจมีวาสนาบุญญาปิสมทานได้เกิดมาท่าในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินบี่แววของอัดของธทรำรแล้วยังมีตำรับตำลาเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนเราด้วยอยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนอยู่เวลานี้ผมพูดโกงๆผมไม่ได้สงสัยในคำสอนทั้งหลายที่สอนท่านทั้งหลายนี่ว่าได้หยิบได้ยืมมาจากที่ไหน เอาออกมาตามหลักความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละมาสอนกันมือเวลานี้ไม่ได้โดนไม่ได้ด่าสอนตามความจัดความจริงที่เป็นมาอย่างไรกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังที่ว่านี้สติปัญญาเฟดขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันทาไมกิเลสมันจ ะ, ะแหลมคมขนาดไหนมันต้องพังจนได้นั่นแหละไม่มีอะไรเหลือ ทำเท่านั้นที่เหนือโลกท่านพี่เรียกว่าโลกุตตะลาธรรมแปลว่าทำเหนือโลกไม่ทําเหนือโลกจะกราบทําได้ลงสนิทหรือถ้าทําเหมือนโลกโลกเหมือนทําไม่จําเป็นต้องกราบทํานี่ก็เพราะทำเหนือโลกถ้าพูดถึงไปเหตุแก้สิ่งที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งเหนือโลกจนกระทั่งหลุดพ้นไป ด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเตียงไกลที่สุดที่เรียกไม่อาจเพื่อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเรียกว่าทำรรเหนือโลกที่นี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ต้ตนล้วนที่ปรากฏขึ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็เหนือโลกนั่นมีแต่สิ่งที่เหนือโลกอยู่อย่างสาบายหายกังวลทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ต้องไปกําหนดถึงพบถึงชาติที่เคยเกิดแก่เจ็ดตายมาเท่าไหร่ความรักความทางความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นตัวเฉเนียดจันไรเขย่าหัวใจเหยียบย่ําหัวใจตลอดเวลาพางทลายลงไปหมดเหลือแต่ความอิสระโดยหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นนั่นแหละที่นี่ดูในท่ามกลางของสมมุติก็ไม่ใช่สมมุตริรู้แบบสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติอสุขอย่างสมอยอ ย, อยู่ในท่ามกลางแห่งสมมุติก็ไม่ใช่สุขในสมมุติเป็นบรมมาสุข นี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติทมของพระรุเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเข้าในจุดนี้ทั้งนั้นสอนเพื่อลายสอนเพื่อเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทุกมหันตโทษถูกตรองจำจากยิ่เดชทั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจเรายังไม่ตื่นตัวอยู่เหรือจะตื่นเมื่อไรตายแล้วมันหมดคุณค่าหมดราคาไม่ใช่ทางต่อสู้เวลาตายการตายไม่ใช่การต่อสู้ การต่อสู้ก็คือความภาคเพียรมีอะไรทุ่มลงไปอย่าเสียดายอย่าสงสัย ใ, ในเรื่องพบเรื่องชราตเรื่องโลกสมมุตินิยมตื่นตามาเช้าก็ตาก็เห็นหู ก, ก็ได้ยินแล้วมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปลกประหาดพอจะให้ติดอกติดใจพอจใช่เป็นของอัศจรรย์ที่ใช้ติดให้เพลินยนุนไม่มีวัน ลืมหูลืมตาธรรมะท่านประกาศสอนไว้จู่ตลอดเวลาทําไมยิงไม่ถึงใจเราโกนูห้าโซกิมานันโดนิจังปัทธดิเตสติอันตะกาเลนะโอนัธาปณิปังนักเวสถาก็โลกสานิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสกอ่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้รุ่มร้อนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกแห่งทุกฝนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในาน้ําบนบกซัดมีที่ไหนกองทุกบีที่นั่น แล้วทำไมมาเพลิดเพลินมาหัวเราะกันดูทำไมไม่จึงไม่สะสางหาที่พึ่งนี่เมื่อแปรออกจากธรรมบทนี้ท่านปลูกสัตว์ทั้งหลายเพลินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเรานี้ก็คือก้อนธาตุฝีดินน้าลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเยียบย่างไปก็มีแต่ดิน เท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดินเนยนั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ํามันก็เหมือนอขี้โครนที่ผสมด้วยน้ําแฉะนั่นแหละในตัวของเราเนี่เต็มไปด้วยธาตุน้ําส่วนแข็งๆก็ถูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็ก็เป็นธาตุดินน้ําที่ซึมซาบอยู่ในสกุลอากาลนี้ก็เป็นธาตุน้ํามันก็เหมือนกับเราเอาขี้โครนเน้วเหลวขึ้นมาปั้น เป็นสัตว์เป็นบุคคลสามาตื่นขี้คนเลี้ยวนั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นสินักปฏิบัติก็ขี้คน เ, เ, เ, นนเลี้ยวๆแท้ๆร่างกายของเรานี้ผสมด้วยทัตุน้ำลมก็ผ่านไปผ่านมาลมตามท้องฟ้ามีไหมทำไมจึงมาตื่นลมในร่างกายของเราเพียงตัวนี้ไฟในเตาไฟก็มีบนฟ้าก็มีอากาศก็มีทำไมไม่ตื่นทำไมมาตื่นลม ในเพียงในตัวของเราเท่านี้โง่หมายมนุษย์เราลมก็รู้แล้วว่าเป็นลมไฟก็รู้แล้ ว, วเป็นไฟดินก็รู้แล้วว่าเป็นดินน้ําก็รู้แล้ ว, วเป็นน้ําให้กิเลสมันหลอกทำไม่ของจริงมีอยู่ทําไมไม่ยึดมันว่าเป็นจัดเปินบุคคลเป็นหญิงเป็นชาเป็นสิ่งที่น่ารักใครชอบใจ <c oughs> ทั้งเก้มันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทําไมจึงเชื่อ ดินก็รู้แล้วว่าดินน้ำดูแล้วว่าน้ำลมดูแล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟยางปัญญาลงไปทําลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้ได้สติปัญญามีอยู่ช้าลงไปล้างลงไปมันจะได้เห็นความจริงภายในตัวของเราซึ่งเป็นก้อนธาตุแต่ละก้อนละก้อนเท่านั้นมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายชานไปตามอสนญพางร่างกายมีอยู่เท่านั้น เอาํานาจิตลงไปถ้าอยากจะทราบตามคําที่กล่าวนี้จิตเมื่อมันยังไม่รู้ตัวมันย่อมยึดไปหมดอวัยวะทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราแม้ที่สุดจิตกับกายนี้เป็นอันเดียวกัน<ม>เป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่คิดก<ม>ิเลสกิเลสมันบุก บ, บังคับที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออกไป<ม>ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเรา ในขั้นเดิมแลกไม่กว้างขวางมากมายอะไรมากเช่นเจสาโรมาณฑาธันตาตะโจ น, นั่นแหละบอกเปิดออกท่านหมายความว่าอย่างน้นเปิดออกดีออกดูที่ผมเป็นยังไงอืมันผมตัวเส้นผมจริงมันวิเศษวิสโสอะไรสถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงเกิดมาจากสถานที่วิเศษวิสโสอะไร<ม>เกิดมาจากสถานที่สกรปรกสม ม, มุ่นซึ่งเกิดมาจากธาตุอันเดียวกันธาตุดิน บนท่ศาก็ธาตุดินผมออกมาก็ธาตุดินมันเกิดเป็นธาตุอันเดียวกันออกมาจากกันเท่านั้นตื่นมันว่าอะไรอีกนั่นขนก็เหมือนกันเล็บมันก็ห่อุยู่ตามปลายมือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บนีมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บทำไมจึงไปเสดสันปัญญาตื่นลมตื่นแรงหาเหาี้หาขนหาหลักหาเกไม่ได้ เราเป็นผู้มีธรรมในใจจับเข้าไปจาอเข้าไปให้ถึงความจริงสิเล็บก็สักจะว่าเล็บฟันฟันสิกระดูกอยู่ในปากของเรานี่มันก็เต็มไปทั่วสนภ พ, พานางการมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูก็รู้ฟันฟันกระดูกให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุดินหนังหุ้มหอดอยู่นี่เอาเปิดออกถลอกออกให้เห็นสิ ไปยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาระอะไรบ้างจึงได้หลงเอานั่งหนาจึงได้ยึดเอานั่งหนาเป็นทุกความลําบากเพราะความฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อฝืน้นเชื่อไปตามขีเดี่ยวสักเทลายก็ยิ่งกอบภูเขาทุกเผาเจ้าของตลอดเวลานีนะ่ท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริงพอถึงหนังเท่า น, นั้นก็ทัจประเดียนโตมีหนัง หุมอยู่โดยรอบเนี่ยแย่ออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องคลางตาสัตว์โลกเมื่อถลกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหนไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชายเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะขยะแยิ่งกว่าซากอะไรเลยซากมนุษย์ตัวนี้สัตวตาเขาไม่ยกลัวผีมนุษย์ตานี่กลัวกันทั้งโลกจะว่ายังไงแล้วถ้าเป็นของดีของ ด, องดีใครจะกลัว ก็ก็ยิมกันนะที่รักชอบอยากได้แล้วที่นี่พอนังออกแล้วเท่านั้นไปยังไงตัวหนังเองเป็นยังไงคลี่คลายออกดูสิหนังจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกายก็ตามกระพือบออกเวลาถลกออกมาแล้วคลี่คลายออกเปิดออกดูเป็นยังไงข้างในของหนังเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมีผิวบางๆอืมฉาบทาไว้หลอกบุรุษ ตาฝั่งเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเปิดเปิดบูของปลอมมันว่าสวยว่างามนั่นน่ะของปลอมแล้วเปิดออกไปแล้วมันงามใหม่สวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทุกชิ้นทุกอันมันเป็นอันเดียวกันหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านี้เราสําคัญอะไร มื่มันสวยมันงามมันน่ารักให้ชอบใจปัญติปัญญาหยางลงไปตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนให้เป็นที่เข้าใจญาณนี้จากหลักความจริงพิจารณาให้เห็นครับปัญญาจะหยางลงไปหยา ง, งไปเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทานอืมฟังชี่ว่าอุปาทานความยึดมั่นยึดมั่นเพราะความหลงตังหา เมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทันทีจีิเพราะนั้นเป็นผลของความหลงต่างหากเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้อย่างทราบไปลาตรงไหนต้องความจำปลอมนั้นต้องพังทลายลงไปพัทงทลายลงไ ป, งงไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายลงไปตามๆกันนะพิจารณาอย่างนั้นเปิดดูสิกองถูก ไม่ใช่กองความสุขมันกองทุกข์ขันแปลว่ากองไปบ้างหมดนี่แปลว่ากองแลนะกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาบนพิสระก็คือกองทุกเต็มไปหมดถ้ามีหางก็จะเป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตว์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาอีกแต่นี่มนุษย์เรายังดีไม่มีหาง <c oughs> ไม่มีเขาจึงไม่ได้มีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้กระทุกขนาดตั้งที่เห็นอยู่แล้วนี้ พิจารณาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อสู้กับความจอมปลอมต่อสู้โดยสติต่อสู้โดยปัญญาพิจารณาอย่าคาดอย่าหมายว่าจะได้สิ้นสุดยุ่งมุดเมื่อไหร่ตรงไหนจริมันหนาแน่นด้วยความรุ่มความหลงความรักความจางความเปรี้ยงความโกรธความชั่งหวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งวันนี้ก็จะพังทลายไปตามๆกันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนพานร่างกายแล้ว ล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบันเลยเห็นอย่างชัดเจนภายใน จ, ใจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งสกุลกาไนี้แม้จะเป็นจลการเจ้าของอันเก่านี่ก็าตามมันเป็นของเจ้าของเพราะความสําคัญความยึดมั่นถือมั่นต่างหาพอความสําคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นได้พังทลายไปเพราะความจริงทํำลายแล้ว เท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สําคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเรานี้เป็นของเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพของตัวเองนี่ถอนม <c oughs> ีส่วนส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยาบมีแล้วทําไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกันเหมือนอย่างไฟได้เชือ้อไม่ว่าจะไม่ว่าจะเชื้อหยาบเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ได้หมดต้นดุงต้นยางก็ไหม้ได้ เผาลงไปเป็นเท่าเป็นฐานได้จะลําเล็กลําน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไฟจกนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานเปมตามกันหมดไม่มีใดเหลือไม่ไฟไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันดยาบอันใดหนักมันจะปลอมขนาดไหนปัญญาไม่ได้กลัวเอาให้ถึงความจริงความจริงพังทะลุไปหมดส่วนหยาบก็พังทะลุ ทั่วถึงไปหมดด้วยความจริงร่วนๆอา้าวส่วนละเอียดมันจะหนีปัญญาไปได้เลยเพราะมันเป็นเชื้อไฟอยู่แล้วนั่นมันจะต้องไหม้ตามเข้าไปเมตนาความสุขความทุกข์ที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทุกข์เป็นสุกลําบากลําบนอะไรก็แล้วแต่มันว่าอย่างถึงใจแต่ก่อนเอปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรงไปย่างลงไปสุดท้ายสัญญาก็ะ ส, สักแต่ว่าความจำสังขารก็สักแต่ว่าความปรุงเท่านั้น ยับ ย, บ, ยบออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนั่นแม่งก็รู้ได้ชัดยังเข้าไปสัญญาสังขารมิย่างเป็นอาการแต่และอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไฟคือตปตรธรรมแต่จะสติปัญญาลุกลามเข้าไปลุกหลามเข้าไปไหมเข้าไปเผาเข้าไปอืมหมดเข้าไปย่นเข้าไปย่นถึงอภิชาปติยาสังขาราซึ่งเป็นตัวสําคัญและละเอียดก่อนมากอืม ฉลาดแหลมคมมากอืแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้จ่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชาปัจจยาเอาอาวิชาจะพังหรือใจจะพังก็ให้พังอืมฟาดกันลงไปที่อวิชาปัจจยาอยู่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้เอาอความรู้นี้เวลาอาวิชชาดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันกเ็เอาดับนั่น จะไม่ให้มีอะไรเหลืออ่าท่านสมมติว่าอวิชชาดับไปใจนี้จะสิ้นศูนย์ไปเลยเพราะถูกสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อใจดรงนี้ได้เป็นผู้ทำลายใจจนกลายเป็นใจที่ชีพหายไปปวงประกาศวิชาก็ให้รู้สินักปฏิบัติแต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอันนั้นพังหมดนั่นอวิชชาปริยาปลอมอยู่ภาใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาฝากกัด จิตกัดใจอยู่ในนั้นอืมเหมือนกับกาฝากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอาไม้ทั้งหลายนั้นหนักเข้าไปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนการมันเกาะอยู่ที่จิตมันดูดเอาจิตอืเคี้ยวจิตนั้นแหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของของปลอมพังของกิงคือใจพังไปอย่างไรนั่นแหละพระพุทธเา้าบริสุทธ์บริสุทธิ์อย่างนั้น มาถึงขั้นเต็มที่อย่างนี้แล้วอ้าวที่นี่มองดูที้เล็กจะสะลุดสังเวชน้ําตาร่วงทีเดียวโหความทุกคลองภยัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เป็นยังไงและไม่ต้องพูดดึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเอาหลักปัจจุบันคือพบชาติอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามันเคยเป็นมากี่พวกกี่ชาติแล้วเพราะวิชาเป็นสายโยงใหญ่ให้พาเปิด พาแต่พาเกิดพาตายวิบากคือดีชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้นมันทำให้ชุ่มๆํำๆหรือลุ่มดอน ๆ, อนๆอนไม่เป็นของแน่นอนไม่เป็นของสม่ำเสมอไม่เป็นสิ่งที่ตายใจได้เลยตายใจได้อย่างเดียวไม่มีสองก็คือฆ่าตัวกริยัวัตจักรอันเป็นเชื้อสำคัญนี่ให้พักชิบหายไวปวงประจักใจเสียเท่านั้นเป็นที่ไวใจ ารอยเปอร์เ็ก็ร้อยว่า1ันเปอร์เซ็น0 0ก็พันมาเต็มดวงใจก็เต็มไม่มีอะไรจะสงสัยนั่นกานฆ่ากิเลส่าอย่างนั้นเด็ทีนี้เป็นยังไงเมื่อฆ่ากิเลสตัวลาบากลำบนตัวทุกตัวยากตัวทอแท้ทเลีวไหลอ่อนแอตัวโลเลโลกเลขกหมดไปแล้วที่นี้มันโลเลไหมจิตดรงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลไหม ทอแทออ่อนแอไหมอืมเยวไหลไหมมีพังพังเผลอเผอไหมมีขี้เกียจขี้คร้านไหมไม่มีอะไรเหลือเลยขอะมันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาไผ่อืเมื่ออันนี้หมดไปแล้วเมื่อมันยีเร็ดมันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีนี่ ผ่านจึงยาไปกังบนยาไปคิดเป็นอารมณ์ว่าเป็นความยากความลาบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้รักเป็นผู้กอดรักกิเลสผัวกิเลสจะหลุดลอยไปเองเป็นผู้แสดงกิเลสยิ่ยงกว่าทำถ้าเห็นความทุกข์ความลำบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทําก็คือความรักกิเลสความรักวตะความรักกองทุกตั้งแต่ พุ่งย่อยจนกระทั่งถึงหานตะทุกไม่มีวันจืดจางไม่มีต้นสายปลายเหตุคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ใดแบวกว่าในน้ําหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมนี้นี้ไปตลอดสายต <c oughs> ั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลําบากก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้ยากเอาจนกระทั่งมันหายยากกิเลส ตายแล้วมันหายยากกันทีนั่นแหละความท้อแท้อ่อนแอเลืยไหลเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อผ่านมันไปได้แล้วความท้อแท้อ่อนแอเลืยไหลจะไม่มีในหัวใจมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิมุตต์แหละตั้งแต่จิตมันก้าวออกไปก้าวออกไปเห็นคุณค่าของธรรมมากเป็นไรถ้าเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากอย่างนั้นอย่ยง น, น, นั้นโดยลำดับธรรดาสุดท้ายความขี้เกียจที่คา้านความอ่อนแอท้อแท้ลหลยืยไหลมันไม่มีแล้วในปฏิปทาที่กําลังดำเนินอยู่นั่นแหละมันจะมีแต่ความขยับขยับขยั บ, ย บ, ยบความมุ่งมั่น ที่จะให้หลุดให้พ้นไปทางเดียวความขี้เกียจขี้ค้านหาหน้าไปหมดตั้งแต่กําลังดําเนินอยู่นี่แหละเราจะไปพูดถึงเรื่องขั้นหมู่มุดหลุดพ้นซึ่งเสร็จฐุละอะไรไปแล้วนั่นเลยผ่านการลบการทิงชัชยกันไปแล้วนั้นในขณะที่ลบพุ่งทิงชัชยกันอยู่นี่เมื่อทําเมีย ม, มากเมียอำนาจ เ, เหนือกิเลสแล้วสิ่งเอลานี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาแยมได้เลยเอ จะมีแต่ทำละฟาดกันงแหลกแหลกแหลกแหลกเพลินในอัดในทำที่นี้เพลินในทำกับเพลินกับในกิเลสต่างกันอย่างไรก็รู้สุขในธทำกับสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเอาเหยื่อมาเสียบตายเด็ดต่างกันอย่างไรมันก็รู้นี่มีอาการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติถ้าอยากหลุดพ้นจากมหันตทุกข์ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจแน่น อัดแน่นเที่ยวไม่มีจิตใจดวงใดเลยที่จะเบาบางจากกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ชำระไม่ถอดไม่ถอนไม่พังทลายภาชนะของมันเกี่วิชาซึ่งแฝงอยู่ภายใน จ, ใจิตใจให้แหลกแตกกิเลสไปเสียเท่านั้นไม่มีทางที่จะได้พ้นจากทุกข์เอาให้พ้นจากทุกข์โดยเอาทุกข์นั่นแหละบีบขั้นกิเลสกิเลสมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเอาทุกข์บีบขั้นหัวมันลงไปเมื่อ บ่งกิเลสมันแตกกระจายระแตกกระจายลงไปแล้วความมทุกข์ความยากลำบากมันก็หมดไปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากกิเลสต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมธรรมท่านสร้างความทุกข์ให้คนที่ไหนไม่มีไม่ว่าจะทําขั้นใดไม่เคยสร้างความทุกข์ความทรมานความลําบากลําบนความมีอํานาจน้อยวาสนาน้อยความทอดแท้เล่หายให้คนเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ก้าวขาออกได้แล้วทราบอย่างถึงใจนักปฏิบัติ มันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปแล้วถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้อืนี่ก็ยังดีได้ทราบเหตุทราบผลมันไว้ก่อนตั้งที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วยการแนะนําสั่งสอนขอให้พากันเอาจริงเอาจังความบุติธรรมอย่างแท้จริงนั่นคือความบุดพ้นที่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นบุติธรรมร้อยเปอรเ็นต์เป็นบุติร ธ, ธรรมเต็มดวอืง ถ้งลงกิเลสมันได้แสงอยู่แล้วหาความยุติธรรมไม่ได้มนุษย์เรานี่เราพูดถึงธรรมขั้นสุดยอดเป็นเช่นนั้นมันแสงที่ตรงไหนไม่มีความยุติธรรมมันจะต้องเอนไปทางเรื่องกิเลสเรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่กิเลสไม่ใช่เห็นแก่ธรรมความเห็นแก่ธรรมต้องสม่ำเสมอเป็นไปตามเหตุตามผลมันไปนยังไงการปฏิบัติมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ มาจกนกรทั้งปัจนนี้ทําไมจะไม่มีวิมีแววถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสำคัญมากอย่าลืมวันนี้พูดเสมอเป็นทําชิ้นเอกทีเดียวเรื่องวิริยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไปสติปัญญาเราอย่าหวังเอามักผลอิพานอหวังความวิเศษวิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุนเงื่อนเข้าไปท่าตรงไหนก็ที่เด็ดหรอกท่านตรงนั้นแหละมันแทรกอยู่ตลอดเวลานะ ทำภาคเปลี่ยนแม้แต่ขณะดจิตมันก็แทรกแทรกอยู่ตลอดขณะดจิตที่ใช้เป็นสติใช้เป็นปัญญาขนาดของกิเลสมันก็แทรกไปตามแทรกไปตามเพราะมันแหลมคมมากไปพูดทแล้วพูดเลาเอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังกระโทบทวนมันก็ทันเองทันกลยาทธของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็หมอบราบไปมากราบไปราบไปลาบไปจนกระทั่งเอาหมอบราบมันมีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหรอกอยู่ไหนก็อยู่ที่การปฏิบัติ ให้ดูหัวใจตัวเองอย่าดูที่ไหนมากจะเห็นอะไรดีอะไรเด่นอะไรชั่วยิ่งกว่าใจที่มันแสดงความเด่นความชั่วอยู่กว่าการจะแสดงความดีดูตรงนี้ใครชั่วก็ตามสู้เราชั่วไม่ได้สู้จิดดวงคิดออกไปชั่วไม่ได้ดูตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติต้องดูตัวของเราเองให้มากยิ่งกว่าสิ่งใด ถ้าต่างคนต่างดูอย่างนี้แล้วรู้ด้วยกันก็สงบด้วยนิเรศก็คอยหลุดลอยไปเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งจะเห็นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปโดยลำดับพาในจิตใจที่แสดงตัวออกมาให้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ําเสมอก็แก้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ไ, งไม่มีอะไรจะแก้แล้วอยู่ไหนก็อยู่สบายการแสดงธรรมเห็นว่าสมควนพูดไปพูดไปรู้สึกหน่อย เนี่ยอายจารย์ทำมองบรนะิจาคต้นสอนไวตไน้ตรงไหนตรงไหนไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นมัญหาเกับตัวพี่เหลืกเนี่ยมันไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ซึ้งอะ่ะอมืมันไปเกี่ยปิดไป ม, ดมุดจะออกช่องไหนมันก็นไปอุดช่องไว้เจ้าผมขอโอกาสจากเรียนทีเดียวทุกคน อาจารย์ ส, สนได้ไครับว่าด้ยผมเนอาจารย์ที่ผมนั่งสมาธิลอดคืนตลดคืผมไม่ได้จาจารนานพอยกธรรมะจารนาขมาทีไดก็ันบอกว่ารู้แล้ว <c oughs> มันจะหลงผุดไปนะครับผมจะเลยอันนี้จะถ้าจะถ้าจะของนู้ในของเอง ทำรู้แล้วมันก็รู้แล้วจริงจริงว่ามันเป็นความหลอกมันก็ไม่น่าจะแน่ใจอยู่ตลอดเนี่ยจารณาบอเนี่ยทำรู้แล้วงั้นอาการของจิแตมันรู้แล้วยังคิดมาเข้าไปสิอาการของจิตที่ผมพูดกัที่นี่ยพวกเวีนาทางงานทส้งฝ่ายวิญญาณมันรู้นะเรื่องของการมันรู้ทีัดจริงๆริงหนาเรื่องเรื่องการภาพปฏิบัตินี มันเป็นสารพิจิตรจริงๆไม่ีใครบอกมันก็ไม่ไสงสัยเพะั้นึงกล้าพูดว่าแม้วุฒิเจ้าประ ท, ทับตอห น, น, น้าเนก็ไมไ่ประมาทนเะจ้ า, จาก็จะถามท่านทำไมก็มันความจริงอันเดียวกัน<ม>นั่นยกตัวอย่างเส่นพ้าเนตรพิคุปพรเจ้าพับพทธเจ้ากำลังจะขึ้นไปนทลูลถามธรรมะพอไฝนตกพอเรายืนถึงใ้ถนพระคังกาบี ฝนตกมานั่นท่านพุทธนาธรรมทำขั้นละเอียดมากเลยนะนะเนี่ยมันก็เข้าใจทันทีเลยฝนตกลงมาก็ฝนจากสายคามน้ำฝนจากสะคามตกลงมาก็มาถูก <Italia> น้ำที่อยู่ข้างล่างก็ตั้งเป็นตัดเป็นต่ําขึ้นมาเป็นฟางขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปเพราะกระทบกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปทั้งกระดูนี่ทั้งกระเทียบกับภายในก็คือเรื่องของทั้งขานมันกรุงยับระดับไปกรุงยับไปมีเสียงกระทบพับก็เหมนเสียงฝานอกระเหมือนน้าตกมาถูก แล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรอะไรมาผ่านทางหูทางตาจมูกริ่นกายพอรู้แยบแยบรับทราบรับทราบก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็ไปอยู่สภาพเดิมหมือนขึ้นเหมือนท่าเทียบแล้วท่านก็รู้ตรงนั้นเสียโอ้ไม่ได้มีอะไรมันไม่เร่านี้เนี่ยแล้วก็รู้นั้นแตพอรู้แล้วเมื่อฝนตกหยุดท่านเลยกัดทุติไม่จะทูลถามพระพุทธเจ้าเลยฟังดิทั้งท่าเตรียมจะทูลถามแล้วก็จะถามปัญหาจุดนี้พอไปแล้วฝนเทอะที่ฟังใช่ไ นั่นแหละทำีทุกอย่งทุกหนพติปัญญามีจับได้หมดนะเพอาะฉัพูดอย่างนั้นในปริยาต้องพูดไม่ได้ละเอียดละอออะไรมากมั่งเ่ไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาดูฝองน้ำกับน้ำฝนที่มันกระทบกันนั่นแ่ละท่านเลยบรรลุธรรมเสียว่าหันแต่ีนี้เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเคยปฏิบัติอยู่แล้วด้วยพอพูดงนั้นมันก็เข้าถึงกันปุ๊บคันไเลยเห็น ถึงนั้นมากระทบถึงนี้มากระทบอะไรมากระทบก็ตามมันก็สับกับมันรู้ทีนี้อาการของจิตที่เกิดขึ้นโดยลาพังตัวเองที่ไม่มีอะไรมากระทบกับตามมันก็เกิดขึ้นมากระดับไปทั้งมันทั้งมันมันก็มีเท่านั้นถ้าทำเป็นทั้งมันอย่างนี้เจ้าสาระแลกับมันกูไม่รู้มันก็มารู้นี่เสียนรู้ก็ไปถึงรากฐานทั้งมันนั่นก็มันรู้ธรรมนะท่านกลับไปเสียไม่ทูณถามว่าพระเจ้าหวัง วันเราเวลาเราเรียนก็เรียนไปไ ม, มันมันไม่คิดเวลอปฏิบัตนโมันเ้ามาหมดล้วธรรมะที่ไหนไหนเดือนมามานน้อยแล้วท่านอะไรคือกรถามธรรมะเมื่อวานเนี่ยถามมาที่วันนี้เป็นไงให้หมู่เพื่มาฟังบ้างซิจะว่มูกินคนยองไหจะให้ผมกินด้ยวยผมไม่กินนะอาาน้าวว่างะ มันมีโอกาสที่จะผุดมันเป็นไงฮะมาใช้ช้าหน่อยนะอกบอกบอกบอกหูผมไม่ใช่หูกระต่ายหรือว่าหูคนนี่เวลาคนเวลาคนเป็นแบบไหน แล้วตอนนี้มันมันกไปรู้เสียงนั่นหรืออันนี้ก่อนผมพิจารณาตังอยู่องเิดผมบทบไหนก็บนไหนว่าท่ามาสิขีสุั้เครับองขึ้นมาผมก็ไปออกสุขีครับเพราะมืทุกมือเที่ยูกมทง่จต่ยางผ่าเปนาอีกสมวันสัต้องไปผสมกมามเสร็จผมทําขัน คือการการท่านของคำพูดฮึท่านไม่ทำสำเร็จมาแล้วหนูโดยเดิมมันร่าจะเป็นนะแล้วจะเป็นกรนมฐานโรคหวิดอย่างที่ผมเคยพูดมันใช้ความรล้วามอาคือคำพูดคำจาอะไรมันไม่น่าพูดพูดออกมาทาไมกับใครก็ตามดูเจ้าของมันทัดเจนเมอมันทัดเจนแล้ควคำอยากพูดมันไม่มีอนอกจากเหตุผลที่คนจะพูดหนักเบามากน้อยมันก็พูดไปตามหนักตามเบาตามมากกอนมาลุ้ทุก เอาออกหมดทั้งพุงนี้ก็ออกได้ือเมื่อเหตุผลมันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นการเหตุผลไม่พร้อมมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการรู้ทำการเห็นทำการอยู่้วยธรรมไม่ด้อยู่โกิเลสถ้าอยู่โดยกมันอยากมันหิวมันโหยะพี่งทราบว่านั้นแหละตัวไข่มันเคยเต้นเรื่องจิตมันถึงการคือมันอัศจรรย์ตัวของอะไรในขั้นนั้นแหละเป็นการขั้นมันก็จยากกระพูดให้ต่อมือต่เพื่อนฟังอะไรมา แลังจาผมมันมันก็จะเป็นในนิัยของหนอยนี่เพราะว่านิสัยก็ดีกว่าเหมือนไม่ได้พูดง่ายๆนะว่างั้นเลยนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมากขนาดไหนผมไม่ได้พูดในเรื่องของผมเฉยมืองไม่มีถ้าขึ้นมาหาพ่อแม่โครจารนแล้วพวกช่าเรานันออกองมันผึผึงผึงอะไรชันนะพอลงมาแล้วหาเมันก็เมือนไม่มีนะแล้วากระเพื่อนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของผมเวลาโต้กับ ผมพ่อแม่ครูจารย์ต้องหลังต้องที่มคมันไม่ลงกันในเหตุผลมันลงมาได้มันก็ต้องถกกันอ่ะเพราะถกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจาไม่ได้ถกด้วยที่ถิ่มานานเนี่ยอข้าวจ้าวูดตามบรนดาลลึกถึงตุลาหลายไม่มีใครที่จะดื้อยิ่งกว่าผมอะกับพ่อแม่ครจารย์มัน <c oughs> <c oughs> ่นหาถกกั น, สนเสียงลั่นเหมือย่างเคยไม่ได้ถ้าแตกมาต้องวัดค <c oughs> ่างค่างเป็นยางไง กางวันก็เหมือนกันบางทีแอบมาห้องหลังพุทธิขึ้นไปส อ, องก็สองเท่านั้นแหละเวลามีสองสามสี่คนไปแล้วผมไม่พูดเพราะท่านก็นรู้ด้วยนะรู้นิสัยเราด้วยเพราะมีท่านไม่ถามมาถามผมถ้ามีสองสามองค์สี่องไปแล้วท่านไม่เคยถามผมมานเป็นไงี้มไม่เคยถามถ้ามีสองสองไม่ท่านก็เราเราขึ้นก่อนเลยขึ้นเลยปั๊บเลยเอากันเลยเพราะมันอาหาร น, นี่ แต่ก่อนมันก็ไม่อาจแต่แล้วมันรู้แล้วมันอาจทานทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ที่มันเป็นขึ้นมาอย่างที่เคยพูดยังง้างตลอดลุงท่านก็รู้ในสายผมมาตั้งแต่บัดนั้นแหละถ้าจะถ้าจะพูดผเผยๆนะเผลๆโดยสายหูรตาเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยมีอะไรก็ลีเรียบอยู่เหมือนพระเมื่อไรทั้งหลายไม่ยากเราก็เสก็บเรียบร้อยไม่มีไม่มีลักษณะคลึงทังตึงๆ แต่เวลาเปนนั่งตลอดลุงใช่ไหมมันเห็นความแปลกประหลาดอาจารย์ทั้งวิธีการต่อสู้ทั้งความรูกก้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วโอ้มันอศัศจรรย์อืมขึ้นถึงท่านเลยก็กราบเรียนแล้วก็ผึ่งเลยเทียที่นี่ท่านก็คงฟังโอ้ยี่ ม, มัอนมาเล่นอย่า <c> ง <oughs> เงี้นี่ท่านก็ใส่มาเปี้ยงเลยแล้วมันถึงใจถึงใจนั่นจากนั้นมามันก็เลือล่อนที่นี่นะเพราะมันมีหลักของมันภายในใจแล้วนั่นลู้นั้นลูกนี่คือสาบเรียนท่านอันไหนที่ไม่ถูกท่านก็ ว่ามาว่ามามื่มันยังเหตุผลยังไม่เพราะมันก็ต้องสู้ท่านคือค้านท่านพูดอย่างง่ายนะท่านก็ใช่มาปาั๊บพอมาลงได้สัดส่วนลงพระหมอ่อมปั๊บอยู่ทันทีนั่นข้ามนม่ใมันเกิดที่เกิดขึ้นมาในใจทําไมจะไม่หานมามแม้แต่เด็กเข้าไปเห็นไปได้ยินเรื่องอะไรอะไรมาด้วยหูด้วยตาของเขาเองเขายัางอาจหานพูดอี่วะเขาพูดได้อย่างเป็นตุกเป็นตาจริงจริงเด็กือพูดเรื่องนั้น ภาษาเป็นภาษาเดียวกันที่เด็กจะรู้เรื่องรู้ราวแต่เห็นก็ตาเด็กก็ตาคนมันก็เห็นถ่าจริงเมื่อพูดได้เป็นตุเป็นตาไปท้ามันได้ไงอันนี้เหมือนกันทำของจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นน่าทหารเมื่อถึงขั้นไม่ทวมาถามถามสมัยเนี่ยมันก็อันเดียวกันอีกถามท่านอะไรความจริงมันอันเดียวกันเหมือนกันแต่ถามท่านกะถามเราที่เราสงสัยไปเดี๋ยวนี้เราไม่สงสัยอะไรแล้วถามท่านอะไรเนี่ยมันก็หมดรั อันนี้เราก็เคยพ่อแม่ครูอาจรยูดแลท่านยกมือขึ้นนี่นะพูกระซาทุกอะไรประมาเจ้าสว่างนี่แม่พระองค์ประทับอยู่ตั้งหน้าก็อไม่ถามสว่างยอะท่านเด็ดทางด้านนี้ใส่ทนดถามท่านทไมสว่างเยอะเขาไม่ใช่บ้าเนี่นะทําะไรให้บ้าทำคนเป็นบ้ารู้ตามทำแล้วไม่เป็นบ้านอกจากลูบแกแนวนั้นมันเป็นบ้าได้สว่าเนี่ยท่านพูดท่านมีข้อแม้ของท่านมีคอแยกของท่านถามทันอะไร ท่นก็สอนให้ถึงความจริงมันมันถึงความจริงตามท่านว่าแล้วจะถามท่านอะไรมันมีใครถามใครแหละท่าน mm. มีมันก็เป็นเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าใครจะว่าาก็ว่าเลยว่าไปเลยอยากว่าปากใครมีก็ว่าไปเลยความจริงมันไม่อยู่กับปากนั้นนะมันอยู่กับใจที่รู้จากหางเท่านั้นนะวันนี้น่าเหนื่อยอ่ะไอ้ล่ะ